นมขึ้นคำถามแรกเลยท่านพระชิตะท่านถามว่าโลกอันอะไรหุ้มห่อไว้โลกไม่ปรากฏเพราะเหตุอะไรอะไรเป็นเครื่องฉาบทาโลกนั้นขอพระองค์ตรัสบอกว่าอะไรเป็นอะไรเล่าเป็นภัยใหญ่ของโลกนะคำถามเกี่ยวกับโลกเป็นที่ตั้งทั้งนั้นเลยข้อแรกก็ถามว่าอะไรหุ้มโลกข้อสองทำไมโลกมันไม่ปรากฏทําไมไม่ชัดอะ่ะ ก็สก็บอกว่าอะไรเป็นเครื่องฉาบทาโลก4ก็บอกว่าอะไรเป็นภัยของโลกแล้วก็ลักษณะ4คําถามอธิบายว่าโลกอันอะไรหุ้มห่อไว้ความว่าโลกนี้ก็แบ่งตามภูมิก่อนเรียกว่าแบ่งตามคตินะโลกนะโลกโลกดิเรชานโลกปฏติวิสัยโลกมนุษย์โลกเทวดาแต่การแบ่งโลกนี่เขาแบ่งตามคติ5โลกคือคติ5 ทีนี้ถ้าโลกโดยสภาวะอนะคติห้านั้นถ้าแบ่งไปแล้วก็คือขันอายตนาธาตุหรือถ้าแบ่งไปอีกในหนึ่งก็โลกนี้กับโลกอื่นโลกนี้คือภายในโลกอื่นก็ภายนอกโลกนี้พบนี้โลกอื่นพบหน้านั่นกับพรหมวโลกกับเทววโลกนี้เรียกว่าโลกเพราะโลกเนี้ยโลกทั้งหมดนะสรุปนะทุกคนเนี้ยเห็นเเนี้ยที่เห็นเห็นจะพบใดก็ช่างเถอะเรียกว่าสัตวสัตววโลกเนี้ยนะโลกนี้อะไรปกปิด อะไรปิดบังอะไรปกคลมุมอะไรหุ้มหอ่ออะไรครอบไว้ก็เหมือนกับว่าโลกนี่มันอยู่ในกระป๋อไข่นนะไข่เนี่ยปิดไว้รอบหมดเนะยหรือเหมือนกับเราไปอยู่ในถ้ำที่มันมืดอนะมันอะไรมันไปปิดไว้ขนาดนั้นโดยสับขยายคําว่าพระอาิตะ์เนี่ยนะอาทิตะก็เป็นชื่อของเป็นเครื่องนับเป็นเครื่องหมายรู้บัญญัติร้องเรียกเป็นนามเป็นการตั้งชื่อเป็นการแสดงให้ปรากฏเป็นเครื่องกล่าวเฉพาะพระพราม อาชิตานั้นทั่วไปก็เรียกว่าอายสสมาเนี่ยนะเป็นระดับอาจารย์มันก็จะมีอายสสมานำหน้าเพราะท่านเป็นระดับครูบาอาจารย์เป็นเวลาจะกล่าวกับท่านก็ต้องกล่าวด้วยความรักกล่าวด้วยความเคารพน่นะเพราะฉะนั้นคำาอายสสมาเนี่ยถ้าใช้กับผู้ใดเนี่ยนะก็ผู้นั้นนี่ยเป็นต้องเป็นที่เคารพเป็นที่ยำเกรงนะท่านพระชีตานี่ เป็นเป็นรูสีที่มีบริวารมากเป็นคณาจารย์ใหญ่เนี่ยนะเป็นอาจารย์ใหญ่มากเลยอันคำถามแรกที่ถามไปแล้วก็คือโลกอะไรหุ้มห่อไว้เนี่ยนะต่อไปก็บอกว่าโลกไม่ปรากฏเพราะอะไรคำว่าโลกไม่ปรากฏก็คือไม่สว่างไม่รุ่งเรืองไม่ภัยโรดไม่เจ็มไม่กระจ่างเพราะเหตุอะไรทำไมปัญญาไม่เกิดอ่ะมันน่าจะเห็นโลกชัดตามเป็นจริงใช่แต่ไม่เป็นอย่างนั้นต่อไปว่า อะไรเป็นเครื่องฉาบทาโลกขอพระองค์จงตรัสบอกอ น, นะบอกว่าอะไรเป็นเครื่องฉาบทาเป็นเครื่องข้องเครื่องผูกเป็นเครื่องเศร้าหมองของโลกนั้นคือโลกอันอะไรฉาบทาให้ติดให้เปื้อนให้มัวหมองเปื้อนละคนไว้ข้องไว้คล้องไว้ไวผัวพันเอาไว้ขอพระองค์เนี่ยตรัสบอกเล่าแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกทําให้เตือนประกาศ น, นะว่าอะไรเนี่ย เป็นภัยใหญ่ของอะไรเป็นเครื่องฉาบทาของโลกนั้นขอให้พระองค์ตรัสบอกคำถามต่อไปว่าอะไรเล่าเป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นความว่าอะไรเป็นภัยใหญ่เป็นเครื่องบีบคั้นเป็นเครื่องเสีดสีเป็นอันตรายเป็นเครื่องขัดข้องของโลกนั้นมันสรุปที่ถามก็คือว่าโลกอะไรหุ้มห่อไว้โลกไม่ปรากฏเพราะเหตุอะไรอะไรเป็นเครื่องฉาบทาโลกขอพระองค์จงตรัสบอกว่าอะไรเล่าเป็นภัยใหญ่ของโลก นก็เอาเรื่องชีวิตเนี่ยมาถามนะเป็นการมองชีวิตรอบด้านจริงๆนะเป็นการมองชีวิตรอบด้านน่ะนั่นนะก็โลกน่ะที่เรานั่งๆกันอยู่นี่อะไรมันห่อเราไว้ทำไมมันไม่ปรากฏตามเป็นจริงอะโลกแล้วอะไรมาฉาบทาชีวิตเราเอาไว้เนี่ยแล้วภัยใหญ่ของชีวิตเนี่ยมันคืออะไรนก็เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเป็นการมองชีวิตอย่างรอบด้าน พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสต่อว่าโลกอันอวิชานี่หุ้มห่อไว้โลกไม่ปรากฏเพราะความตรนีและก็เพราะความประมาทเป็นเหตุเรากล่าวว่าตันหาเนี่ยนะเป็นเครื่องฉาบทาโลกทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกอวิชานี่แหละมันห่อหุ้มเอาไว้ที่มันไม่ปรากฏอย่างนี้ก็เพราะความตรนีเพราะความประมาทนั่นแหละตันหาเนี่ยเป็นเครื่องฉาบทาโลก ความทุกข์เนี่ยนะเป็นภัยใหญ่ของโลกคือเป็นสิ่งที่น่ากลัวสําหรับโลกนี่ก็ขยายคําว่าพักวาก่อนนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็นผู้ตรัดตอบปัญหาเนี่ยนะนะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกพราหมณ์ว่าอชิตะเนี่ยนะนะบทว่าพักวานี้เป็นเครื่องกล่าวด้วยความเคารพเนี่ยนะนะก็คือเป็นบุคคลที่ตั้งแห่งความเคารพเป็นบุคคลที่ตั้งแห่งความยำเกรง เรียกว่าพักวะสมัยนี้ก็ยังมีหน้าที่อินเดียเนี่ยถ้าถ้าใครเป็นศาสดาสูงสุดของศาสนาเขาก็จะเรียกพักวาเหมือนกันแต่เขาก็เสียงก็เพีย้ยนนะคือของเราอ่ะเพี้ยนจากเขาหรือเขาเพี้ยนจากเราก็ไม่รู้ไงพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงทําลายราคะเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าพักวะหรือทําลายโทสะทําลายโมหะทําลายมานะทําลายทิฏฐิทําลายเสี้ยนน้ําเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าพักวา คำว่าพักวาก็เน้นทําลายราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเสียหนามก็คือบาปอกุศลทุกชนิดที่อยู่ในใจเนี่ยอีกอย่างหนึ่งพักวานี่พระพระองค์เนี่ทรงจําแนกแจกแจงซึ่งธรรมรัตนะนี่นะรัตนะก็คือแก้วแก้วคือธรรมะรัตนะก็คือเพชรนั่นแหละจําแนกเพชรอ่ะแจกแจงเพชรอ่ะคําสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยนะพระธรรมรัตนะแปดหมพันก็ พระธรรมมขันก็แต่และธรรมาขันก็รัตนะเลยนะบางแห่งบอกว่าพระธรรมมขันแต่และธรรมมขันเท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์แสดงว่ายิ่งใหญ่มากนี่นะนั้นพระผู้มีพระภาคเนี่ยจำแนกแจกแจงพระธรรมเหล่านั้นพระพุทธเจ้านั้นชื่อว่าพระขวาวเนี่ยเพราะทรงธรรมที่สุดแห่งภพทั้งหลายคือภพนี้เป็นภพสุดท้ายของพระองค์ะนะ พระองค์เป็นผู้มีกายอันอบรมแล้วมีศีลอันอบรมแล้วมีจิตอันอบรมแล้วมีปัญญาอันอบรมแล้วจึงชื่อว่าพักวาอันหนึง่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าป่าเปลี่ยวเงียบเสียงคือที่เงียบะนะนี่ไม่มีเสียงกึ่ก้องปราศจากลมแต่หมู่ชนไม่ใช่คนเดินปลิวว่อนไปหมดนะไม่ใช่เป็นสถานที่ที่ควรทํากรรมลับของมนุษย์นะก็ต้อง คือถ้าไม่เงียบจริงๆมันคิดเรื่องที่ลึกซึ้งยา ก, กอะ น, นะแปลว่าเป็นที่สมควรแก่การหลีกเล่นหลีกเล่นถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเข้าพระสมมาบัติอยู่ในที่เงียบสงัดก็เข้าพระสมาบัติมีอสังขตธรรมคือบุญิพานเป็นอารมณ์อันหนึง่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งปัจจยัย4คือจีวณบินทบาทเสน า, สนาสนะักีฬาณปัจจยัยเพศสัตว์บริการ อนนัพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยมีส่วนแห่งอัทธรสธรรมรสวิมุตติรสแห่งอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาคือเพราะพระองค์นี้อบรมอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาพระองค์จึงได้อัทธรสธรรมรสวิมุตติรสเนี่ยนะอั น, นึพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งฌานสี่อัปปมัญญาสีอรูปสมาบัติส อัพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งมิโมก8อภิพาญตนา8อนุปุปภาวิหารสมาบัติ9อันึพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งสัญญาภาวนาสิบเนี่ยกสินสมาบัติ10สมาธิอันสัมปยุทธ์ด้วยอานาปานสติอสุภฌานสมาบัตินี่อันึพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งสติประธานสี่สมมติประธาน4อิทธิบาท4ีอินทรี่ห้าพละหโพชงเจ็อริยมัคมีองค์8 อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีส่วนแห่งกำลังของพระตถาคตสิบเวสารัชยานสี่ปฏิสัมพิทา4ี่อภิญญาหพุทธธรรม6เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพัควานคำว่าพัควานั้นพระมาณดาบิดาพี่น้องชายมิดอมาตยา่าสาโลหิตไม่ได้ตั้งให้ทั้งสมณพราหมณ์เทวดาก็ไม่ได้ตั้งให้แต่พระนามว่าพัวานี้เป็นวิโมกขันตินามคือพระนามเกิดในที่สุดแห่งความหลุดพ้น คำว่าพักาวานั้นเป็นสัจจิกาบัญญัติคือเป็นบัญญัติที่เกิดจากการทําให้แจ้งเนี่ยนะเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ตรัสรู้แล้วพร้อมด้วยการบรรลุสัพพัญญุตญาณะควงไม้มหาโพธิ์จึงชื่อว่าพักาวานที่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะได้ตรัสต่อว่าโลกอันอวิชชาหุ้มห่อไว้โลกคือคือเนี่ยชีวิตของทุกเวทพระริยะเสียทุกคนเนี่ยถูกอวิชชาเนี่ยห่อไว้เนี่ยนะ ถ้ามองก็เหมือนกับว่าอยู่ในไข่ะนะนันก็อยู่ในกระเป๋ะอยู่ในฟองไข่หรือว่าอยู่ในที่อะไรทุบมันห่อหุ้มปกปิดเอาไว้นี่นะผลอวิชชาในที่นี้คืออะไรเนี่ยนะก็คือความไม่รู้แปประการไม่รู้8ประการก็คือไม่รู้ทุกความไม่รู้ในทุกขสมุทัยความไม่รู้ในทุกขานิโรธาความไม่รู้ในทุกขานิโรธคาขาไม่มีปฏิปทา ความไม่รู้ในส่วนเบื้องต้นความไม่รู้ในส่วนเบื้องปลายความไม่รู้ทั้งส่วนเบื้องต้นและส่วนเบื้องปลายความไม่รู้ในธรรมทั้งหลายอันอาศัยการเกิดขึ้นคือปัจจยธรรมแห่งธรรมนี้ได้แก่ปฏิจจสมุปาฏิเนนะเนี่ยนะชื่อว่าวิชาท่านาวิชาเนี่ยทำให้ไม่รู้ไม่เห็นอริยสัจเนี่ยนะเมื่อไม่รู้ไม่เห็นอริยสัจแม้แต่อดีตก็ไม่รู้เนี่ยนะไม่มียานที่เป็นปุเพนิวาสานุสติยานที่จะรู้อดีต อนาคตคือเบื้องปลายต่อไปก็ไม่มีอนาคตตังสยามที่จะรู้อนาคตต่อไปอีกมันทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตนึกเมื่อไรมันมืดหมดในขณะเดียวกันชีวิตที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็ไม่รู้อะไรเป็นผลของเหตุอะไรอะไรเป็นปัจจัยของเหตุอะไรก็ไม่รู้ทราไม่ได้สักอย่างทั้งหมดที่กล่าวไปในลักษณะนี้เรียกว่าอาวิชชาเรียกว่าอาวิชชา ลักษณะของอวิชาก็คือความไม่รู้ความไม่เห็นนะนะไม่รู้ไม่เห็นอริยสัตว์เป็นต้นดังที่กล่าวไปความไม่ถึงพร้อมเฉพาะความไม่ตามตรัสรู้ความไม่ตรัสรู้พร้อมความไม่แทงตลอดความไม่ถึงพร้อมความไม่ถึงรอบความไม่เห็นเสมอความไม่พิจารณาความไม่ทําให้ประจักษ์ความรู้ได้ยากความเป็นคนเขาความไม่รู้ทั่วพร้อมความหลงไหลความมัวเมา อวิชาเป็นโอค่าอาวิชาเป็นโยค่าอาวิชาเป็นอนุสัยอวิชาเป็นเครื่องกลุ่มลุมคือปริยุทธานอนุสัยกับปริยุทธา น, นี่แสดงควบคู่กันไปเลยก็แสดงว่าไม่ต่างกันอวิชาเนี่ยเป็นขายเป็นเหมือนตาข่ายดักอาไว้นะโมหะคือความหลงอกุศลมูลนี่ชื่อว่าอาวิชาในอุเทศว่าอาวิชายนิวุโตโลโก้วา ง, งั้นโลกเนี่ยอันอวิชาหุ้มห่อไว้ดังที่กล่าวไปทั้งหมดเรียกว่าอาวิชา ความไม่รู้เนี่ยนะคำว่าโลกเนี่ยนะก็แบ่งตามคติ5้าใช่ไหมโลกนะโลกโลกเดรชานโลกเปรตโลกมนุษย์โลกเทวดาคติ5ในคติทั้ง5นั้นถ้าจําแนกโดยสภาวะก็คือขันธโลกธาตุโลกอายตนะโลกนั่นนะก็ถ้าแบ่งแล้วก็เป็นโพโลกนี้โลกหน้าพรหมโลกกับเทวดโลกเรียกว่าโลกโลกทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยอันอวิชชานี่แหละปิด บังปกคลุมหุ้มห่อครอบเอาไว้จริงชื่อว่าโลกอวิชาอวิชาเนี่ยหุ้มห่อเอาไว้เก็ไปถามถามดูว่าใครเห็นอริยศาส์บ้างเอาที่มาประชุมกันเยอะแยะเสียงดังยะยะยะยะเย้วเยเนี่ยนะมีใครรู้อริยศัส์บ้างในนั้นมนีเนี่ยนะหอมหุ้มห่อไม่หมดนะรู้อดีตก่อใหม่รู้อน า, าคตก่อใหม่รู้ทั้งอดีตอน า, าคตปฏิจจสมุปบาทไม่แทงตลอดสักอย่างเลยนะอาถามว่าแม่กระทั่งเดราชะานั้งหลายที่ร้องกันอยู่เนี่ยนะเราทั้งหลายถ้าไม่คิดถึงคําสอนเนี่ยเราก็ไม่รู้อีกเหมือนกัน นั้นอวิชามันปกคลุมหุ้มห่อทั่วไปหมดเลยนะเรียกว่าอาวิชามันห่อระบาดเต็มไปหมดเลยอะ่ะมันพระองค์ก็เลยตอบว่าโลกอนาวิชาเนี่ยปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้ต่อไปว่าโลกที่ไม่ปรากฏเนี่ยเพราะความตรนีและก็ความประมาทเนี่ยนะคำว่าโลกไม่ปรากฏก็คือเพราะความตรนีห้าอย่างนะตรนีอาวาส ที่อยู่ตนีสกุลตนีลาบตนีวันนะคือคํายกย่องฉะสมเชยผิวพรรณเนี่ยนะต่หรือว่าตนีในธรรมะเรียกว่าความตนีความตนีกิริยาที่ตณีความเป็นผู้ตณีความปรารถนาต่างๆความเหนียวแน่นความเป็นผู้มีจิตหดหู่ความเป็นผู้มีจิตเผ็ดร้อนความที่จิตอันใครๆอ่ะเชื่อไม่อ่ะเชื่อไม่ได้เห็นตาเนี่เรียกว่าความตนี หรืออีกอย่างหนึ่งความตนีขันตนีธาตุตณีอายตนะเรียกว่าความ ต, ณ, ามตณีนี่นะความตนีนี่แหละทําให้โลกไม่ปรากฏมันหวงแหนเนี่ยนะไม่อยากให้ของของตนเป็นสาธารณะกับใครอะ่ะมันหวงอะ่ะมันยึดถือมากมันหวงมันเกาะมีอะไรเนี่ยติดนั่นเลยนะสมมติอของสมมติถ้าบ้านเราเลยนะของที่มันเคยอยู่ปกติลองมันไม่เห็นดูอย่างหนึ่งดิตื่นเช้ามาไม่เห็นรถจอดอยู่ที่เดิมอะไรจะเกิดขึ้น สนุกไหมคุณโชคดีไม่สนุกเลยนะว่นเลยว่อนนะเดือดร้อนแน่ไปยังไงมายังไงนะวันนีอ่ะไม่กี่ววินนะ่งว่อนเลยนั่นไนงะที่เราพอใส่พี่ผมอนะอกนะั่นไงพออกพอไม่เห็นเนี่ยก็เดือดร้อนแล้วนะอย่างอื่นนี่ก็เหมือนกันเนี่ยพอเนี่ยอะไรที่เป็นของที่เราคิดว่าของเราเนี่ยนะที่มันเคยมีอะ่ะเลือกไปแล้วมันไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างเลยนะรอบนอกนะภายนอกอ่ะหรือแม้กระทั่งภายในนี่ก็เหมือนกันนะ ถ้าลองตาเคยมีแล้วมันจะไม่มีสิหูที่เคยมีแล้วมันจะไม่มีจมูกที่ว่าเคยมีมันจะไม่มีลิ้นรดหรือร่างกายอะไรทั้งหลายหลยแม้กระทั่งชีวิตที่เรียกว่าเคยมีแล้วมันจะไม่มีเนี่ยโอ้ยมันตนนีมันเดือดร้อนอะนะมันเรียกว่าความตนีไม่อยากให้เป็นสาธารณะไม่อยากให้เป็นของหลวงอะไรทั้ง พันโลกเนี่ยมันไม่ปรากฏไม่แจ่มแจ้งไม่สว่างไม่โรคก็ใไ้ความตณีนี่แหละเนี่ยนะทานก็ให้ไม่ได้ซีนก็รักษาไม่ได้ภาวนาก็ไม่เจริญทำ ม, มากของพระพุทธเจ้าก็ไม่สนใจเนี่ยก็เนื่องจากความตณีนั่นแหละนะอย่างที่บางคนก็บอกว่าจะไปคบทำไมพระเขาว่าน้นเพราะว่าถ้าคบพระเนี่ยคบพระเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเห็นแล้วก็ต้องกราบต้องไหว้ ถ้าไม่กราบไม่ไว้ก็ต้องลุกรับเนี่ยนะถ้าลุกรับก็ต้องให้ทานเพรา ะ, ะนั่นก็โห ไ, ไม่อยากคบไม่อยากเห็นไม่อยากพบปะเจอกันเลยฟังงั้น